เรื่องคนขนไม้บรรทุกเกวียนชื่อทารุสากติกะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงป ร, ราบบุตรของคนข น, นไม้บรรทุกเวียนคนหนึ่งชื่อนายทารุสากติกะความพิสดารว่าบุตรของคนขนไม้คนหนึ่งในนครราชคฤือเป็นสัมมาทิฐิเขาเล่นคลุกกับเพื่อน เวลาจะทอดคลุกเขาจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าณโมพุทธสะกแล้วจึงทอดเขาชนะเด็กทั้งหลายวันหนึ่งเขาไปป่าก บ, บิดาเพื่อคนไม้บรรทุกเวียนปล่อยโคใกล้ที่ป่าช้ามีสะใหญ่แล้วจัดแจงอาหารกลางวันโคนได้หนีไปนายสากติกะตามหาอยู่จนค่ำ ราตรีนั้นนอนแล้วในป่าภายใต้แห่งเกวียนกลางคืนนั้นพวกอามนุษย์คือยักษ์ใกล้ป่าช้านั้นเห็นเข้าแล้วจะกินเด็กแต่มีอามนุษย์ตนหนึ่งเป็นสัมาธิฏฐิห้ามเอาไว้เพราะเด็กคนนี้กล่าวนโมพุทธะเสมอเสมอเป็นผู้สั่งสมพุทธานุสติอามนุษย์ทั้งหลายได้ยินกลัวภยัยจึงได้ถอยออกไปยืนอยู่แล้ว ต่อมาอามนุษย์เหล่านั้นได้ยืนรักษาเด็กนั้นแล้วประดุดเป็นมารดาและบิดาของเด็กอมนุษย์ตนหนึ่งไปนำโภชนะของพระราชาจากพระนครมาให้เด็กบริโภคจ่ารึกอักษรไว้ที่ถาดโดยอนุภาพของยักษ์นั้นให้เห็นเฉพาะพระราชาคนอื่นจงอย่ายเห็นวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษโจทย์ขานกันว่า ภาชนะของพระราชาถูกจรลักออกตามหาไปพบอยู่ที่เกวียนของนายสากติกะจับเด็กนั้นไปไต่สวนส่งทราบความเป็นไปนำความไปกราบทูลถามพระศัสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเป็นคุณชาติเครื่องรักษาป้องกันภัยได้จริงหรือหรือว่าอนุสติอื่นๆเช่นธรรมานุสติเป็นต้น ก็เป็นคุณชาติเครื่องรักษาด้วยพระศาสดาทรงสแสดงฐานะหกอย่างเป็นคุณชาติเครื่องรักษาสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิธทั้งกลางวันกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระตถาคตตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระธรรมเป็นนิดในพระสงฆ์เป็นนิด เป็นไปในกายเป็นนิดยินดีแล้วในอันไม่เบียดเบียนห้าคือการรักษาศีลห้ายินดีแล้วในการภาวนาเป็นนิดทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระตถาคตคําว่าเป็นไปในกายชื่อว่ากายคตาสติสติอันเกิดในธาตุสีในกายในอาการ32มมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น คำว่าในการภาวนาชื่อว่าเมตตาภาวนากรุณาภาวนาแผ่ไปทุกทิศในการจบเทศนาเด็กนั้นดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลด้วยมารดาและบิดาแล้วภายหลังชนทั้งหมดนี้ได้บวชบรรลุอรหัตหมายเหตุจากหนังสือบทในองค์ของพระพุทธคุณ9ก้า พระธรรมคุณหกพระสังฆคุณเก้าบทใดบทหนึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ในทชัชขสูตรว่ามีอนุภาพสูงสุดจึงควรท่องจำให้ขึ้นใจเป็นอนุสติมีอนิสง์มากหมายเหตุผู้อา่านแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการสวดมนต์ต้องแปลออกต้องเข้าใจความหมายและน้อมใจไปตามบทสวดจนเข้าใจจริงด้วย ถึงจะมีอ น, นิสง์ได้จริงนะครับไม่อย่างนั้นก็สวดเป็นนกแก้วนกขุนทองได้แต่สมาธิแต่ขาดปัญญาการเข้าถึงธรรมต้องเข้าถึงด้วยการเข้าใจเหมือนบทสวดมงคลละสูตรนะครับสวดแล้วต้องเอามาปฏิบัติเอามาทาตามสวดตลอดชีวิตโดยปลาม่ออกและไม่เอามาทาตามก็ไม่มีทางบรรลุธรรมได้นะครับ สำหรับการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหรือบทอิตติปิโสนั้นถ้าหากได้ศึกษาพระไตรปิฎกและคำพีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระพุทธคุณโดยละเอียดทั้งหมดเมื่อมาสวดจะเกิดความเข้าใจปีติทราบซึ้งในขั้นลึกซึ้งมากขึ้นจิตที่เข้าถึงยิ่งลึกเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งมีอนิสงเกิดผลดีเป็นทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นการศึกษาข้อมูลให้แตกฉานจึงจาเป็นมาก จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ